สิกขาบทที่หถามทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนที่นั่งรัดเข่าณที่ไหนในสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัตหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางวาจากับจิตมิใช่เกิดทางกาย